บทที่8ชาตนาสาเหตุที่จะทําให้เข้าใจว่าตายแล้วศูนหรือไม่ศูนคนที่จะเข้าใจว่าตายแล้วศูนก็เพราะเข้าใจว่าสมองเป็นเครื่องจักรวิญญาณเป็นผลของสมองแต่วิญญาณไม่ใช่เป็นผลของสมองเพราะวิญญาณมีอยู่ก่อนสมองวิญญาณเป็นผู้สร้างสมองและเป็นผู้ควบคุมสมอง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 อีกสายหนึ่งมาจากจุติวิญญาณข้อพิสูจน์ที่แสดงว่าวิญญาณสืบมาจากพ่อแม่ข้อเท็จจริงที่มักทำให้เข้าใจผิดว่าตายแล้วสูญถ้าเข้าใจชัดว่าระบบประสาทต่ตางๆและนิสัยสันดานต่างๆเกิดขึ้นและวิวัฒนาการมาอย่างไรจะไม่ทำให้หลงข้อเท็จจริงอันนั้นการเกิด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 ที่มาปฏิสนธิข้อพิสูจน์เรื่องวิญญาณแล่นผ่านไปในอากาศได้เรื่องการสะกดจิตกระแสวิญญาณที่ผ่านไปในอากาศเหมือนเคลื่นวิทยุมันจะไปเฉพาะในทิศทางที่ตั้งใจจะไปเท่านั้นเผื่ออุ ป, ปาณิสัยคือข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่แสดงว่าวิญญาณเคยผ่านการเกิดมาแล้ว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 คืออุปาทายรูปอันหนึ่งอุปาทายรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยฉะนั้นลายมือจึงบอกให้ทราบถึงอุปนิสัยและโชคชะตาในอนาคตได้พระพุทธเจ้าทรงมีลายมือเป็นกงจักรเวลาเห็นการอบรมคือข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่แสดงว่าวิญญาณเคยผ่านการเกิดมาแล้วจงสังเกต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 การละกิเลสจะต้องอาศัยรากฐานอะไรบ้างเพราะเหตุที่พระอรหันต์รู้เรื่องนี้แจ่มแจ้งมากฉะนั้นท่านจึงรู้อยู่แก่ใจว่าปอระโลกมีอยู่ทฤษฎีเรื่องการระลึกชาติพระพุทธองค์ทรงระลึกชาติได้ด้วยอานาจสมาธิก่อนตรัสรู้เหตุไรคนส่วนมากจึงไม่เคยเชื่อเรื่องการระลึกชาติ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 จะเข้าใจเรื่องชาติหน้าต้องเข้าใจเรื่องนิพพานด้วย